วันนี้เป็นวันที่ยี่สหมีนาคมพุทธศักราช2005หร้อยห้าสิบแปดวันพรุ่งนี้พวกเราคงจะเตรียมตัวเดินทางไปงานของคุณแม่ชีแก้วเสียงลำจังหวัดมุกดาหารเพราะงานเราจัดอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนา วันพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์วันที่27เราถ้าเราจะไปวันเสาร์ทีเดียวก็กระชั้นชิดเกินไปเพราะเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพส่วนหนึ่งนะเราควรจะไปดูการงานความพร้อมของวันที่ของวันศุกร์ก่อนแล้วก็เย็นวันเสาร์ยี่สิบเจถ้า่เป็นวันสวดมนต์เย็นแล้วก็มีการ ฟังธรรมเทศนาหนึ่งกันแล้วก็วันที่29เป็นวันอาทิตย์ก็เป็นวันตักบาตก็เสร็จเสร็จวันที่29เป็นอาทิตย์สุดท้ายแต่การงานในคราวนี้ครั้งนี้เราก็ให้มันไหลไปตามธรรมชาติคล้ายๆกันเราก็ไม่ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์องค์ไหนรักเคารพในคุณแม่ ก็มาร่วมกันตลอดถึงพี่น้องประชาชนสัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าถ้าใครรักรเคารพเกลื่อมใ ส, ส่ศรัทธาถือว่าคุณแม่เป็นผู้มีพระคุณหรือว่าปู่ย่าตายายที่ได้มากราบคุณแม่เป็นผู้มีพระคุณพวกลูกหลานทางหลายก็ควรจะเข้าไปแสดงความเคารพคารวะปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวคืออัด อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาที่เราทำบุญลำาลึกถึงคุณแม่ น, ะ น, นีขอให้พี่น้องประชาชนทุกโมเหล่าได้ินได้ยินได้ทราบแล้วก็ผู้ใดจะไปทำบุญก็ไปร่วมกันได้ในวันพุ่งนี้มรืนนี้อีกไม่นานนี้แหละวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สบหแล้วเนะี่ยเป็สองวัน ที่หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับความเป็นมาของวัดพอเราสร้างวัดม า, าตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่ปีส3จนถึงปี58 เ, เราจะพูดแบบรวบรัดทีเดียวก็คงไม่ได้แล้จะพูดแบบยืดเยื้อเกินไปก็ทำให้พวกเราไดเอาน้ำมาล้างหูออกเอพราะมันเต็มหูก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงก็าการ พูดกล่าวก็เป็นการทดทบทวนความจําของหลวงพ่ออีกส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการบอกกล่าวคณะสัทธาญาติยมผู้ที่เข้ามาสร้างวัดยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อพูดไปเนี่ยก็ถูกต้องไหมพวกเราก็จะได้ได้ยินได้รู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยพูดทบ ท, บทวนความจําของหลวงพ่อ เกี่ยวกับศรัทธา ญ, ญาติโยมเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็หลวงพ่อเองก็คิดอีกไม่รู้ว่ากี่ปีไปข้างหน้าเนี่ยสุขภาพของหลวงพ่อจะเป็นยังไ ง, ว ง, ง, ไงความจําอาจจะปั้มปมัเป๋ะเป๋ะก็ได้คําในหลวงพ่อก็ได้เคยสั่งเสียกับพระไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า ถ้าหากว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้าหากว่าหลวงพ่ออายุมากขึ้นมาดูแล้วการความจำของหลวงพ่อเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์และเป็นอะไรพวกท่านทั้งหลายอย่าไปปล่อยให้เราเป็นผู้แสดงและเป็นผู้พูดเป็นผู้แสดงความกิดเห็นทีเดียวไม่ได้นะให้พวกท่านทั้งหลายที่เป็นสิทธิานุสิ์ทั้งเป็นฝ่ายพระทั้งไปายเป็นฝ่ายคารวะให้เข้ามาประชุมหารือกันแล้วก็วางแผน ที่จะให้หลวงพ่ออยู่ในระดับไหนอย่างไรให้พวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ช่วยกันคิดแต่หลวงพ่อไม่ได้มอบให้กับผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นใหญ่ให้ฟังเอาไว้ว่าไม่ให้ผู้ใดใครเป็นหนึ่งเป็นใหญ่ใหญ่ในการประชุมหารือกันลงมติกันแล้วก็ให้มีผู้น้อยให้มีผู้ใหญ่ในการคิดในการดำเนินการเพราะหลวงพ่อเนี่ยต้องแก่แน่ๆไปข้างหน้าจนถึงตายนั่นแหละ เพราะฉนั้นหลวงพ่อจึงได้มอบหมายและมอบฝังให้กับพวกเราท่านทั้งหลายบางทีครูบาได้ยินครูบาอาจารย์แต่สมัยท่านก่อนท่านก็เป็นผู้สั่งเสียการงานอย่างหลวงพ่อเดทยวนี้แหละถ้า ต, ต่อไปภายภาคหน้ารู้สึกว่าท่านสุขภาพท่านช่วยตนเองไม่ได้ผู้ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ชิดเข้ามาใกล้ชิดกันนะประละพูด เอาดีความเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นผลที่สุดก็เลยครูบาอาจารย์ผู้อยู่ใกล้ท่านก็ต้องเชื่อผู้อยู่ใกล้แต่เหมือนกับพ่อแม่ลูกคนใดอยู่ใกล้ก็เชื่อลูกคนนั้นผลที่สุดคนด่าลูกคนอื่นก็เลยทำให้ครอบครัวแตกและเซมและเซนและสายก็ได้เคยเคยเห็นมาแล้วนี้ก็เหมือนกันสิทธิ์ญาณุสิทธิท์ของหลวงพ่อเนี่ยที่หลวงพ่อจะเป็น ผู้ใหญ่และเป็นผู้เท่าต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อก็วิตกกังวลในเรื่องนี้อีกเหมือนกันอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดดูไม่ใช่ว่าเมื่อหลวงพ่อแกชราเข้ามาแล้วก็โผลจอยู่ใกล้เชิดก็ชักจูงไปผลในสุดหลวงพ่อก็เล็ดด่าลูกเิีย์ลุกหาเข้าหน้ากันไม่ติด คนที่อยู่ใกล้กูหัวเราแะแฮะแ้แดีอกตีใจเพราะเราอยู่ใกล้ล่ะหลวงพ่อเราด่าคนอื่นอย่างนี้ก็เคยมีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อสั่งเอาไว้บอกเอาไว้ให้สังเกตถ้าเป็นเป็ น, ปนลักษณะอย่างนั้นนะให้พวกท่านทั้งหลายไปชุมหาเรือกันเอาออกองค์ที่ไม่มีศีลมีธรรมผู้ที่อยู่มาใกล้ชิดของหลวงพ่อได้รับการศึกษาได้รับการอบรมหลวงพ่อแนะนําให้เป็นผู้มีศีล เป็นผู้มีธรรมในจิตในใจเพราะนั้นหลวงพ่อเมื่อยังอพอมีความคิดอยู่หลวงพ่อจะต้องสั่งเสียอย่าให้เป็นอย่างนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายพระเนระวกองค์ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมอย่าไปอิจฉากันอย่าพ ย, พยายาบัตรปองร้ายกันเพราะหลวงพ่อไม่ได้ ไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความปรารถนาไม่อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายแย่งในลาบแย่งในยศให้พวกท่านทั้งหลายแย่งในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไปที่ไหนไม่อดไม่อยากหลวงพ่อมีแต่แนะนําสั่งสอนอย่างนั้นดวงพ่อยกตัวอย่างหลวงพ่อให้ฟังเ อ, อมาอยู่ที่วัดป่านาคําน้อยกวาดใบไม้นอนฮเห็นไม่ได้ยินไหม จนถึงขนาดนั่นแหละแต่บัดนี้เป็นยังไงศาลาก็ใหญ่บเลบลเบลวัดก็มีตั้งพันกว่าไร่มีกำแพงล้อมรอบอีกพี่น้องประชาชนาาศรัทธาญาติโยมก็มาจากจากรุทิศมาจากหลายแห่งแต่ละวัน น, ะนี่แหละหลวงพ่อเขาไม่ได้ลืมตัวเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อเคยจนมาแล้วมีอะไรก็พูดตามมันมีพูดตาม ม, ม, ตา ม, มันเป็นพูดตามเนื้อผ้ารู้ยังไงเห็นยังไง หลวงพ่อก็ได้บอกกล่าวแนะนํำไปตามเรื่องราวที่ได้พบได้เจอได้เห็นนะแต่เมื่อวานหลวงพ่อก็ได้พูดว่าไม่พูดว่าการสร้างศาลาหลังนี้แหละเป็นมาอย่างไงทําไมมีไม้ทําไมมีการก่อสร้างในเมื่อหลวงพ่อสร้างศาลาสร้างสะพานปี2527ั เขียนไว้ข้างๆนะสะพานปีสองเจ็ดนะในเมื่อสร้างสะพานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพวกป่าไม้สมัยนู้นน่ะมันมีเยอะไม้อยู่ในวัดของเราไม้ในวัดของเราก็เถอะนะที่เราเห็นว่าเป็นหนาแ น, น่นไม้ยางเป็นหลายโอบแต่ละต้นเป็นเกือบร้อยสองรอต้นอยู่ในป่าวัดในวัดของเราขณะนี้นะ อ, อมีไม้กระบากมีไม้ตะแบก มีไม้ยางไม้ตะเคียนห่างๆประดูห่างๆแต่ถึงยังไงไม้ในวัดของเราเนี่ยถูกตัดไปก่อนหน้าที่หลวงพ่อเข้ามาอยู่แล้วนะไม้ที่มีคุณค่าอย่างไม้ปไม้ตะเคียนทองไม้ประดูไม้มะค่าเนี่ยเดี๋ยวนี้พวกเราให้สังเกตดูเห็นแต่ไม้ที่คดๆโคค้งๆคงที่ยังอยู่แล้วก็ไม้ยางเนี่ยอย่างมากอยู่พวกเขายังไม่เอาไม้ตะแบกไม้กระบากยังมีอยู่ แต่ถ้าว่าพวกเราเห็นอยู่ข้างในบางทีทําทางเดินจงกรมเนี่ยยังเห็นโซ่โ ซ, โซ่พวกช้างหลากไม้หรือเห็นโซ่รถวินเออลวดสลิงรถวินยังเขาวินรถวินไม้ขึ้นรถนะยังมีอยู่นะเห็นอยู่เอออยู่ข้างกุฏิหลวงพ่อเน่ยโอ้มันรวดสลิงมันมาอย่างไงทีบ้างแต่เขาก็ถามเขาว่า มันเคยตัดมาแล้วในวัดของเรานะเพราะนั้นพวกเราอย่าไปแปลกใจว่าวัดของเราเนี่ยเป็นวัดที่สมบูรณ์ไม่ใช่ถูกตัดมาแล้วรอบหนึ่งที่ไม้ที่มีคุณค่าเขาออกไปแล้วนะแต่หลวงพ่อมาเข้ามาเนี่ยก็มายึดพื้นที่เนี่ยก็มีแต่มารักษาไว้จํานวนที่มันยังเหลืออยู่ที่ยังพวกเราเห็นเนี่ยจะขนาดนี้กระว่าโอ้สมบูรณ์นะเพราะยุคสมัยนี้มันหาไม้ยากหาป่ายากนะ นี่แหละลงพ่อมาอยู่ที่นี่พอสร้างสะพานเสร็จแล้วเขาก็ตัดไม้ขนมาแถวบ้านเพิ่มจำไม้นั่นเขาเรียกว่านอสอสวมฮะถ้าพูดอย่างนี้นพี่น้องชาวบ้านนี่เขาคงจะพูดรู้ได้เล ย, เลยว่านอสอสวมนันคืออะไรคือเขามีซบ ส, อสอคอหนึ่งเขาออกสอคอหนึ่งคนละหไล่สิบไล่คนละสองสามไล่นเจ้านายออกให้สมัยก่อนแต่มันกฎหมายนี่สิมันมีช่องว่างช่องโหว่ แต่ละแต่ละไอ้นศอคอหนึ่งนะด้านทิศเหนือติดทิศปาสงวนทางทิศใต้ติดปาสงวนทางทิศตะวันตกติดปาสงวนทางทิศเหนือติดปาสงวนมันติดปาสงวนทุกทุกด้านฮนชะเพราะฉะนั้นเวลาเขาได้ซคอหนึ่งมาแล้วเขาค่อยขึ้นเป็นนอโซสามเพราะนอโซสามเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นกฎหมายของ ประเทศที่ว่าถ้ามีนอสสามเราตัดต้นไม้ได้ในที่ของใครนะ ه, พอค้านายทุนเขาก็มาซื้อตัวนั้นแหละซื้อสคอนะทาเป็นนอสสามจากนั้นเขาป่าไม้อยู่ตรงไหนเขาก็ไปโดดใส่ตรงนั้นเลยเขาไปตัดตัดเสร็จแล้วก็ย้ายป่าไม้เลยไปใส่ตรงนั้นอีกตัวตัวใช่มันก็นเป็นป่าสงวนจริงๆใช่ไหมล่ะผลที่สูดป่านายูงน้ำโสมของเราหมดโดยปริยาย เพราะนอสอสวมไหเนี่แหละกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นนะสัทายาธิราโยมผู้หัวหมอแต่ทีนี้เขาขนไม้มาเลยผลมาเป็นไม้ที่ถูกต้องที่ไม้ศาลาของหลวงพ่อเนี่ยเขาตีการเรียบร้อยมาโอ้หลวงพ่อเออหลวงพ่ออยากจะสร้างศาลาป่ะขอขอโดยเทินสัตายาธิราชโยมหลวงพ่อจะเอาเท่าไหร่เอาเท่านั้นท่อนต่อนนี้ท่อนเออเอ า, เอา ก, ก็ลงเนี่ยลงอยู่ที่อเถียงนาผู้ใหญ่เสด็จที่ตรงข้าม วัดของเราเนี่ยข้ามคง ข, ข้ามถนนก็กองไม้ไว้พเพลินกันอยู่ที่นั่นเป็นไม้ที่ถูกต้องทั้งหมดจากนั้นเพระป่าไม้ก็ตีกลาหมหมดแล้วเขาขนลาเข้าไปขายอยู่ข้างในจากนั้นลุงพ่อก็แปรลูกพ่อมาก็ามาเก็บเก็บก็บเก็บไว้นะพอเก็บไว้ทีนี้ก็ไม้ก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้แหะทีนี้แต่เราก็ไม่กล้าสร้างเพราะเราเคารพในองค์หลวงตา จะทำอะไรขึ้นมาแล้วต้องขออนุญาตซะก่อนในวัดของเราเพราะดวงตาเนี่ยท่านถ้าหากว่าท่านมองเราเนี่ท่านมองแบบไหนท่านมองอยุดในสายตาของท่านนะถ้าเราทําออกนอกลูก่นอกทางเนี่ยอย่านะทําอินนะเฮ้เราก็กลัวอย่างนั้นเหมือนกันแต่เดี๋ยวเออเราจะข้ากล้าเข้าไปกอกกาเปลี่ยนท่านก็เราก็ไม่กล้าเหมือนกัน เราก็เลยให้เต่าแก่กุกหงคุณธนันชัยที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาเนี่ยหลวงศรีสีไทยใหม่เนี่ยเฮ้เต้าแก่ไปขออนุญาตหลวงตาให้ด้วยเทิน嘛ไม้ก็มีอยู่ก็ไม่เดือดร้อนหรอกได้เตรียมไว้อยู่ถ้าหากว่าหลวงตาอนุญาตแล้วก็เดี๋ยวก็จะคิดสร้างสลาเพราะคนก็มามากอยู่เต่าแก่หลวงขับถ้ามีโอกาสผมจะกราบเรียนท่านครับ ตอน้เท่าแกกกกหงก็เลยไปจังหันไปทําบุญเขาไปประจําอยู่แล้วนะอก็ไปขออนุญาตจากองค์หลวงตาหลวงตาเออถ้าจะทําก็ทําได้นะอย่าไปทําให้หลุ่นหลัวห ล, ลานนะออจะทําให้อะไรแข็งโลกแข็งสงสารเขานะเอทําให้มันพอเหมาะนะอย่าให้มันใหญ่กว่าหลังนี้นะะเข้าใจไหมอย่าให้มันใหญ่กว่าหลังนี้ พ่หลังนี้กันนี่รับทั้งเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินพอน่ะแล้วจะไปทำอะไรให้มันลูกหลานไม่ได้นะมันพระทุกวันนี่นะ่ะ เ, เราไม่เห็นด้วยนะเน้นแต่ทางด้านวัตถุเนี่ยฮะเท่าแกกุกหงก็มาพูดให้ฟังพอพูดให้ฟังหลวงพ่อก็อเข้าไปสมัยนั้นก็นมีคุณสมเจตนะ จงเป็ดจงเจดในช่างสมเจดชนบุรีี่เป็นลูกเขยของอทีอออ่อะไรที่กรุงเทพเอะสาลาลวงชินเป็นลูกเขยของหลุงชินนั่นแะคุณสมเจตแล้วก็มารักษาศีลอยู่ที่นี่หลวงพ่อเออเอาคุณสมเจตปไปด้วยกันเขาเป็นวิศวะใช่ไหมจบมาทางวิศวะ หลวงพ่อก็อาศัยคุณเจีปะไปวัดก็เลยไปวัดศาลาบ้านตาดหลังข้างในน่นะวัดความกว้างหนถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดว่า17เจเมตรความกว้างส7เจดเมตรแล้วก็ความยาวเนี่ย23าเมตรท่นี้แปลนของเราเนี่ยแปลนศาลาหลังนี้เป็นของคุณมีชัยอรุณสวัสดิ์เป็น วิศวเป็นสถาปนิกของรถไฟและก็ผู้ออกผู้รับรองแบบก็คือในช่างวัฒนาอัจฉริยเป็นผู้รับรองแบบศาลาหลังนี้นะแต่ผู้ผู้เขียนแบบนะั้คือคุณมีชัยอรุณสวัสดิ์เป็นผู้ออกแบบสถานีรถเป็นสถานสีสถาปนิกของรถไฟทีนี้ก่อนที่ กาออกแบบก็หลวงพ่อเนี่ยเป็นคนบอกเออหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเป็นเวลาสิบสี่ปีในขณะที่อยู่บ้านตาดเนี่ยนะหลวงพ่ออยู่ในศาลาหลังนั้นะที่โกงหลวงตาเนี่ยชายคามันน่ยชายคามันที่ออกมาจากต้นเสารประมาณ70เซนเท่านั้นนะชายคา่าสั้นมากเวลากลางคืนฝนตกกลางคืนเนี่ย ตีสามตีสี่ท่าเที่ยงคืนฝนสาดฝนสาดกลางคืนหลวงพ่อจะต้องไปเช็ดลงไปเช็ดน้ําให้มันแห้งเพราะว่าตอนเช้าถ้ามันน้ามันขังอยู่ในพื้นส า, านะลาหลวงตาลงมาหลวงตาลงมา น, ะามาน้ำมันมันไม่เช็ดมันพึ่งเช็ดใหม่ๆมันยังไม่แห้งนะนั่นแหละหลวงตาด่าพระแลยจนดุพระ มันพระทางวัดทางวาเนี่ยมันอยู่ทําไมไม่คิดไม่อ่านน่ยเห็นไหมเนี่ยมันพื้นใครจะมานั่งได้เพึ่งเช็ดใหม่ๆมันเปียกทําไมฝนตกไหมทำไมไม่มีไม่รีบมาเช็ดให้มันแห้งมันพึ่งขนาดนี้หรอมันอยู่มาอยู่กับเราเนี่ยอย่าให้เราหนักใจเพียงเท่านี้มันคิดไม่ได้หรือพระเนี่ยฮะนี่แหละหลวงตาดุให้พรยดุกระดุคร้าเพราะหลวงปู่บุญมีก็ท่านก็อายุมากแล้วหลวงพ่อก็เป็นองค์ที่สองเนี่ย ท่านปัญญาก็เป็นองค์ที่3นั่งลงจากพระฝรัง่งท่านเชอรี่ต่อไปก็เป็นองค์ที่4ที่หหลวงพ่อจะต้องได้ยินก็จะเทือนหลวงพ่อเนะพราะหลวงพ่อนั่งเป็นองค์ที่สองออนั่งจากบางทีหลวงปู่ลีเข้าไปก็หลวงปู่ลีเป็นองค์ที่สองหลวงพ่อเป็นองค์ที่3ามแต่หลวงปู่ลีท่านเข้าเข้ า, าออ ก, ออกท่านก็ไม่ได้อยู่ประจําในช่วงนั้นเพราะท่านเป็นห่วงแม่ของท่านแต่ที่หลวงพ่อน่ะ ฝนตกกลางคืนเที่ยงคืนเนี่ยเวลาฝนสาดสลาเนี่ยลูกพ่อก็ตรงลงมาเช็ดกับไปเรียกหมู่สองสมองค์ไปไปลงไปเช็ดสลาบางองค์ก็นอนงวงเย่กันขับขับขับแล้วก็ไม่ม้าบัดบางที่เราจะทํายังไงเลยสององค์เช็ดเป็นคนละมุมกันเช็ดพอเช็ดเสร็จแล้วก็ลงไปขึ้นไปเช็ดกุฎิหลวงตาอีกได้พอเช็ดกุศาลาเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเช็ดหลวงตาบางทีก็ใช้ทังสองเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงจึงจะเช็ดเสร็จได้ พอเร็จเสร็จแล้วก็เราไปกับกุฏิทีนี้พอเราออกมาอยู่นะ่ะศาลาของเราเนี่ยมันต้องชายคามันต้องยาววะ่ะไม่เอาและชายคาสั้นแบบวัดหลวงตานะชายคาเจ็ดสิบเซนเนี่ยเราอย่างน้อยเราสักสามเมตรวะ่ะความคิดขึ้นมาทีนี่ชายคาเพื่อไม่ให้ฝนตกสาดศาลาได้ไม่ให้เป็นภาระของพระนะหลวงพ่อก็ยคิดอย่างนั้นก็ให้ในช่าง มีชายอารุณสวัสดิ์เนี่ยเป็นคนออกแบบท่านขาก็ออกแบบมาเอ่อจะเวลามันชายคายาวอย่างนั้นทํอยังไงก็ต้องมีแขนนางค้ำเห็นไหมแขนนางเนี่ยค้ำพอมันชายคายาวสามเมตรแต่นี่ก็ไปวัดเสร็จเรียบร้อยศาลาบ้านตากกว้างสิบเจ็ดเมตรยาวยี่สิบสามเมตรแต่ของเราแปลนของเราเนี่กว้างเนี่ยสิบหกเมตรวัดดูนะสี่ส ส, ส, ส, ส, สี่สาม สี่สี่ิบกเนสี่ช่องสี่สี 16, 16่สิบหกสิบหกเมตรความยาวเน่ยยี่สิบสี่เมตรเอ๊ะทำยังไงวะลูกพ่อเขปรึกษากับนายช่างเนแปลนของเราเนี่ยมันกว้างสิบหกยาวยี่สิบสี่แต่ของหลวงตาเนี่ยกว้างสิบเจ็ดยาวยี่สิบสามมันจะใหญ่กว่าหลวงตาได้เนี่ยเดี๋ยวแต่มันใหญ่กว่าท่านบอกว่าอยาให้ใหญ่กว่าหลังนี้นะ มันทำอะไรสร้างโอหหลูหราโออาแข็งโลกแข็งสงสารหลังนี้รับกระทั่งเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินมาแล้วไปหาสร้างใหญ่กว่านี้หนะอ่อเราก็ได้ยินเราจะไปอย่าทำใหญ่กว่าก็ไม่ได้ใช่ไหมจากนั้นเราก็มาวัดเสร็จแล้วก็มาดูแปลนในช่างคุณสมเจศก็มาคิดพวกเขาคิดเป็นตารางเม็ดออกมานะเนี่ยจิม้มเรื่องเครื่องคิดเลขออกมา เอกท่านอาจารย์ถึงยังไงของเราก็ยังเล็กกว่าของบ้านตัดสิบพาดสัปิบพาตารางเมตร <c oughs> <c oughs> พนะ่ะคิดถึงขนาดนะั้นแล้วลูกหลานนะเอาสาลาของเราเล็กกว่าสาราบ้านตัดสิบพาตารางเมตรเออเอาไหมถ้าหากว่าไม่เอาเราจะทําไงเขาแปลนก็ออกมาอย่างนี้แล้วเราจะทําอย่างบ้านตาดมันก็ไม่ได้อบ้านตาต้องทําแบบโบราณน่ะของเรามันต้องทําแบบสมัยใหม่ มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละแต่เล็กควายอยู่แล้วนะ่ะมันทำไมเล็กน้อยนักปะเดี๋ยวท่านจะว่าให้อีกนะเออเอาถ้างนั้นเอาก็เอานี่แหละหลวงพ่อก็เลยตกลงว่าจ้างช่างมาขุดหลุมอะไรคึ้นช่างสลาขึ้นม า, อาพอสร้างขึ้นม า, อาพอกำลังจะเสร็จมุงหลังคาท่า น, นั่นแหละพวกที่ปาก หอยปากปูทั้งหลายกับปากประจบสอพอก็ไปพูดให้ลงตาฟังใช่ไหมเ้านี่โอโ้โหศาลาของท่านอาจารย์อินใหญ่บักมุดขึ้นมาในป่าบักใหญ่เลยใหญ่ขนาดไหนโอใหญ่กว่าลังนี้เท่านั้นแหละส่วนั้นสองสามปากเท่านี้สามสี่ปากทําอินนะเราบอกแล้วนะอย่าให้ศาลาใหญ่กว่าเรามันทําไมมันใหญ่มันเกินครูอาจารย์แล้วนะั่นะนะ่นะ มันอ ย, อย่าเข้ามาเหยียบวัดเรานะทำอินนะโอ้เราได้ยินเสียงลมมาเั้งนั้นหละเราก็ขาอ่อนแล้วต่นี่ตายตายตายตาย ต, ย ต, ย ต, ยตยเราก็พยายามจะเข้าไปไปแก่ก็ไม่ใช่เรื่องทีนีน่เราก็แบบแบบแบบเขาอ่อนแล้วว่างั้นถ้ายินนะทางพุ่นเขาก็ตีปีกแต่ว่างั้นเพราะว่าหลวงพ่ออินทำใหญ่กว่าทำเกินคำสั่งของหลวงตาใช่นะ ยังมีม้วนเทปอยู่นะถ้าพวกเราได้ฟังเนะี่ยทำอินแต่ทำไม่ได้บุแลรพชัดนาคำน้อยมันสร้างศาลมันใหญนะ่ผิดปกตินยะเรายังได้ยินได้อยู่ยังมีอยู่นะเดี๋ยวนี้นะยังติดเทปไว้อยู่นะนั่นะสมัยนั้นนะปีสมัยปีสองแปดนะจากนั้นล้มพ่อก็ไม่รู้จะทำไงในช่างวัฒนามาเนในช่างวัฒนาที่เป็นผู้รับรองแบบแปลนเนาะเข้าขมาเนะียเป็นไงท่านอาจารย์ ได้ยินว่าท่านอาจารย์ท่านสร้างศาลาใหญ่ทางบ้านตาลเขาหลงตาดุนะใช่เราก็ได้ยินแต่เราไม่กล้าเข้าไปแก้ถ้าไปแก้เหมือนกับไปพันเราก็ไม่กล้าแก้เพราะเราไม่ใช่ผู้ที่ออกแบบไทยในชาติไปกาเปลีป่ยนองค์หลวงตาก็แล้วกันนะเพราะว่าอาตมาไปวัดแล้วศ า, าลาหลังนี้เล็กกว่าเล็กกว่าของหลวงตาแน่นอนยืนยันได้พูดได้ แต่เล็กประมาณส5บลาตารางตารางเมตรนะแต่มันใหญ่พรหลังคามันหลังคามันใหญ่เพราะมันยื่นออกสามเมตรแต่ตัวอาคารนะเล็กกว่ารับรองได้ใช่ผมก็ว่าอย่างนั้นแะพอจากนั้นนายช่างมาที่นี่ใช่สมัยท่านองค์ขงมณฑีดรกเตยชาก็เคยมานะที่มาวัดเรานะแต่มาเ้านะ้วมามีนายช่างมานายช่างเขาเลยไปกราบองค์ลุงตา พอไปถึงท่านก็อมาจากไหนครับมาจากวัดท่านอาจารย์อินครับนาคาน้อยฮะไปไงทำเอ็นมันสร้างศารมันใหญ่บ่เลอบะบ่ลาเออเต็มป่าเต็มโรงอย่างนั้นใช่ไหมใหญ่ัหมไม่ครับผมไปดูแล้วมันไม่ใหญ่หรอกเล็กกว่าบ้านตาไปวัดดูดูเนื้อที่ดูแล้วเล็กกว่าครับผมรับรองได้ครับท่านอาจารย์ครับฮพอได้ยินเท่านั้นท่านจากนั้นมาใครไปโอ้ศาลา อาจารย์อินใหญ่ยาพูดปากสกปกเออจากนั้นมาหลวงพ่อก็เลยหมดหมดหมดเรื่องที่จะทำจากนั้นหลวงพ่อก็เลยสร้างศาลาหลังนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท่านก็ไม่มานะท่านก็ฟังเหมือนกันเพราะนั้นปีปีสองเก้านะพิเศษปีสองเก้าเริ่มปีสองแปดนะ ปลายปีกลางปีสองแปปี29ปีสามศเดือนพฤษภานะเสร็จนะ่ในป้ายนะเราขึ้นไปพอเสร็จโอ้หลวงพ่อเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเนะพอสร้างศาลาเสร็จแล้วหลวงพอ่อโอ้ปีนี้สดได้ท่านสดจำพรรษาที่นี่สดจำพรรษาที่นี่นะนาคำน้อยนะผมจะไปจำพรรษาบ้านเพิ่มหนะลวงพ่อก็เลยไปเริ่มวัดป่าบ้านเพิ่มอีก ไปอยู่ที่ไหนตางทำเป็นกระต๊อบกระแทบขึ้นมาสาลาเล็กๆสมาสาราไม้ไผ่มุง้านะนะไปที่บ้านเพิ่มแต่หลวงตา ย, ยังอุตสาบไปเยี่ยมหลวงพ่อนในปรรษารนะนะหลวงตา ย, ยังไปบ้านเพิ่มโอ้ท่านป่าดงจริงๆโตแถวนี่เถอะหลวงตา ย, ยังไปนะไปเยี่ยมหลวงพ่อที่วัดป่าบ้านเพิ่มนี่แหละ ในพรรษานะ่ยหลวงตายังอุดซาไปทางยากแสนยากสมัยนั้นนะนี่แหละความเป็นมาของสาลานะักนักสัยน์ญาติโยมลูกหลานแต่หาว่าหลวงตายังอยู่นะ่ะหลวงพ่อคงจะไม่กล้าปูหรหินหินแกลนิดนี่นะคงจะอยู่อย่างเก่านั่นแหละแต่ทําไมเพราะว่าหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อแกนะไม่มีจะหนุ่มไปข้างหน้าหลวงพ่อก็เลยปรึกษากับนายช่างบอกว่าเออนายช่างอาตมาเนี่ย คงขึ้นศาลาข้างบนไม่ไหวละต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยควรจะทําศาลาชั้นล่างเพื่อรองรับความแก่ในชจางเออใช่ท่านอาจารย์ไม่ทําริฟเหรอละโอ้ทําริฟไฟฟ้าอําเภอนาอยูงก็ตายบ่อยดับบ่อยบางทีมันดับลิฟอยู่ในลิฟมันตา ย, ยทํายังไงออกอัตมาออกไม่ได้นะเพรไฟฟ้ามันดับเพ น, นั้นยาเถอะเอาแบบง่ายๆแบบบรร น, นอกบรร น, นอกก็แล้วกันก็เลยทําศาลาขึ้นมาเนี่ย ต่อเติมชายค้าออกไปอีกแล้วก็ปูหิน เ, เขาก็ถามอะญาติยโยมก็ถามลุงพ่อจะปูอะไรขันหน่ชังเออก็คงจะเทปูนธรรมดาคนนั่งก็ปูเสือ่อเป็นอะไรไปถ้ามีคนถวายกระเบื้องก็คงจะเอากระเบือ้องถ้ามีคนถวายหินก็อเอาถวายหินถ้าเผลอเผอวยสาราหลวงพ่ออินเนี่ย มันไม่เหมาะสมทั้งนั้นนะควรจะเป็นพื้นทองคำํำเออหลวงพ่อก็จะเอาทองคำหลวงพ่อก็ว่าอย่างนั้นนะหลวงพ่อเนี่ยอยู่แบบสันโดษนะเขาให้ดีก็เอาของดีแต่ที่นี่หลวงพ่อเออเอาตกลงว่ามีคนถวายกระเบื้องแต่คนหนึ่งอาจารย์อังคารกับคณะสัตธา ญ, ญาติโยมทางพิธีนโลกบอกว่าเอยท่านอาจารย์ผมขอถวายหินหินอ่อนเหรอหินแกลดิตแล้วก็ช่างด้วยจะมาจัดการให้เรียบร้อยะ เออก็ดีมีผูรับอย่างนี้เลยนี่แหละพวกเราท่านทางราไร้ที่นั่งเนะี่ยเป็นหินของเอพระอาจารย์อังคารนะลูกศิษย์ทางพิษโนโลกนะมาทําให้เนี่ยนะนะงบประมาณล้านประมาณล้านกว่าบาทล้านห้ามัง้งทุกทุกอย่างเนะ่ยเฉพาะหินแนละที่นั่งเนะี่ยอย่างพวกเรานั่งเนะ่ะแต่หลวงตายังอยู่หลวงพ่อก็คงไม่ทําหรอกพอหลวงตามาเห็นเฮออ้ยมันทําไมวัตถุเนะี่ย มีแต่เราจะขี่ใสท่านอะาจา่ยนวานเหมือนกับไปวัดหลวงปู่ศนระีท่านก็เคยขึ้นไปกุฏิหลวงพ่อนะพอหลวงพ่อทำเสร็จเป็หม ย, ยังไม่เสร็จนะท่านเดินขึ้นไปยังไงขึ้นไปถึงกุฏิหลวงพ่อนะท่านไปเปิดประตูห้องประตูกุฏิทําอินเนี่ยโอ้ทำนั่นนะ่ะแต่มันก็ไม่ใหญ่รอกก็พอดีอยู่แต่เราไม่ปวดขี้นะถ้าเรามีปวดขี้เราจะขี่ใส่กุฏิทําอิน เห็นไหมกุฏิลงพ่อท่านขึ้นไปดูแล้วนะเออจากนั้นท่านก็ลงมาเนี่ยนะกุฏิอดังขึ้นศาลาเหมือนกันนะศาลาหลงพ่อนะดังหินหินเห็นหินเนี่ยไอหุยหินอิตัวนอนเนี่ยนะเรียกว่าศาลาลงครัวตนะิดลงพ่อฉันน้าร้อนนะ่ะท่านขึ้นไปท่านซีนั่นแะหละรูรลาลเนี่ยมันเรื่องกิเลสทั้งนั้น เรื่องกิเลสลาคะนี่ความรู้ๆหลาหลาเนี่ยมันไม่ใช่อื่นใครนะกิเลสกิเลสลาคะตรงพ่อกมาคิดเอ๊ะมันจะเกี่ยวอะไรวผลี่สุดมันใช่ราคะคือความสวยงามใช่ไหมล่ะโป้โลงตาไม่ใช่ธรรมราในสอนหลวงพ่อนะเออรู้ๆหลาหลาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างอื่นนะเรื่องกิเลสทั้งนั้นเอทันวานะ แต่ว่าตามไม่จริงถ้าว่าสร้างขึ้นมาแล้วไม่ปฏิปปดอยจนเกินไปนอะก็เป็นสไ ป, ปยะใช่ไหมละ่ะนี่แหละหลวงตาท่านชี้ถึงขนาดนั้นนะน่าจะทาญาติโยมลูกหลานพระเนนนะอันนี้หลวงพ่อเล่เาให้ฟัง เ, เกี่ยวกับองค์หลวงตานะจากนั้นก็เนี่ยวันหนึ่งคราวหนึ่งนะเขาก็ปูคุณด ร, ดรท่านดรมีชัย ท่านขึ้นไปกุฏิหลวงพอ่อโอ้กุฏิหลวงพ่อเนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยลื่นเหลือเกินน่าจะปูหิน <c oughs> น่าจะปูหินหินหินุอิดตัวน้อนใช้อขอบปูนซีเมนก็ได้ทำง่ายๆเลยเออกว่าดีจุดแท้แต่ผมลื่นยเก่งแล้วเนะ่มาขึ้นไปหกล้มหลายครั้งจากนั้นท่านก็เลยเอาคนมาทำให้พอทำให้เสร็จก็หลวงพ่อก็ไม่ปูมาถึงศาลาโดยนะกวดหลวงตาจะเห็นเามือนันนะ ปูแต่เฉพาะตรงที่จำเป็นที่มันลื่นไม่ใช่ทำอะไรเพราะนั่นสมัยก่อนี่เท่า ท, ทำอะไรเราต้องระวังดวงตามาวัดของเราบ่อยทำมาเห็นสิ่งแปลปอมเห็นสิ่งรู้หลานี่ย น, นั่นแหละวัดนี้เราจะไม่มาเยียบอีกทำอินเนี่ยเราบอกแล้วมันทำไมเนี่ยเราก็กลัวมากเลยใช่ไหมีนี้เรากป็ปูขึ้นไปเพราะมันจำเป็นมันลื่ น, น, นพอต่อมาเีเนี่ย พอต่อมาเราก็ไม่ได้แล้วเราควรจะเทปูนพอมันอิตัวหนอนเวลาปูปูนเข้าไปเวลาน้ำกัดซศอมมันกระดกกระดกกระเดิดมันน่าจะเทปูนซีเมนแล้วก็น่าจะอิดตบตัวอิตัวหนอนปูทับอีกเพื่อมันกันลื่นแล้วก็มันแน่นอีกต่างหากเราก็ให้เขาทำพอทำเสร็จแล้วทีนี้ ท่านดุงมากสมัยนะั้นอยู่ที่นี่ด้วท่านอาจารย์ไออิฐที่มันขนออกมาจากกุฏิของท่านอาจารย์เนะี่ยจะเอามาทําไปทางทางทางกุฏิทางไปทางตําหนักเดี๋ยวนี้นะ่ะแทางขึ้นไปทางลงครัมาอยู่ทางขวามือนีะเพราะมันทางนี้มันลื่นนะมันเออหกล้มอยู่เรื่อยผมว่าน่าจะทําไปทางนี้เฮ้ยไปหาธทมไม่ได้นะถ้าเผือหลงตามาแล้วยทำยังไง มาเห็นแล้วก็ด่าเรานะี่ยอย่าไปทำอย่าไปทํไปททาไปทําก็ทําครบไปก็ไปข้างในเลยหรือทําไปทางรวมครัวก็ได้ที่หลงตาไม่ไปนะอย่าไปทําใกล้แถวนี้ยไม่ได้นะถ้าหลงตามานะั่นท่านเห็นเข้าไปเลยท่านดูนะระวังนะวัดเรานะหลงตามาบ่อยนะครับผมคิดว่าหลวงตามาแล้วก็หลงตากลับไปแล้วเราก็รีบทําเลยหลงตากลับมาแล้วก็เสร็จแล้วก็ ท่านคงจะดุกันนิดหน่อยคงไม่เป็นไรเออสุทแท้แต่เนาะสุเจ้าคิดอย่างั้นเอาหลวงพ่อก็ว่าอย่างนั้นใช่ไหมเออทีนี้ท่านพวกท่านดุง น, นก็พอหลวงตามาวัดอย่างวันนี้แหละเออแล้วก็วันมุขพุ่งนี่แหละเขาก็ลุมแลว้วกันแต่เขาจะทำแล้วออพอเว้นไปวันหนึ่งล้วงตากลับมาทีนี่เออมาจางไงก็ใหม่รู้เท่านั้นะ หลวงตากลับมาเท่านั้นแหละหลวงตากับเราก็ขึ้นกุฏิแล้วอ่ะพอฉันยังฮันเสร็จแล้วท่านดุงพอนึนกถึงขุมงานอย่างนะี้เนีอยพอเขามาหลวงตาจอดรถเท่านั้นแหละเอ้ยแตกประคนละทางทิพอเขามาหลวงตาก็เดินขึ้นไปหลวงน้าร้อนที่ท่านเคยพักนะ่ะไปเห็นไอ้กําลังขุดล่องอยู่ใจปูอีกตัวนอนใช่ไหมล่ะขนอิดตัวนอนไปกองกองไว้เรียงเรียงว่าจะปูลแล้อยังไม่ได้เทปูนะ่ หลวงตาไปทำอะไรพระกับหมู่บมาบจะทำปูถนอนอิดตัวนอนเฮตัวนอนบา้บาอะไรพวกนี้มันมีแต่เรื่องก่อสร้างเหรอมันเป็นยังไงทับอินนี่โอ้แตกไปคนณะทางทเลยเราไม่ขึ้นไปเฮ้พอเดินลงมาเลยบกมานอนอยู่ใต้ทุนสลาได้วันนั้นไว้แต่ก่อนท่านขึ้นไปพักอยู่ที่หลกน้ําร้อนใช่ พระก็ไปจัดไม่เกินไปลงมาเทีพระก็วิ่งขึ้นไปลงพ่อลงพ่อก็อยู่ในกุฏิใช่ไหะเออตรงพ่อท่านอะไรจังตรงพ่อลรงพ่อพ่อแม่เออลงตามาแล้วฮะมาท่านมายังไงท่านมาเพิ่งมาเมื่อวานนั่นแล้วท่านมาอีกวันนี้ตายตายตท่านไปเห็นไหมไปเห็นไอ้ี่สูดเจปูไหมโอยด่าจนพ่อแรงแล้วลงพ่อโอ้ตายตาเอายังไงก็นอนที่นี่นอน ข้าหากว่าแล้วสู้เจ้า น, นี่นะวะ เ, เป็นสนุนให้หลวงตหลวงตาด่าหัวเราเนี่ยเอาจัางไง ท, ท่านพักที่ไหนล่ะท่านพักไต่ถุนสาาลาแล้วท่านไม่ขึ้นมาพักที่หลงน้ำร้อนแล้วอเอาตายท่านคงเอาแน่แล้วเขานี่วะวหลวงพ่อก็ด้อมด้อมองยองย่องย่อ ง, อ ง, องมาแล้วไป อ, อพอมาลงตาท่านก็นอน นอนท่ากัพระกำลังนวดเส้นอยู่นั่นกันน่ยมลุมมาตุ้มมาลุมมาตุ้มมาลุมมาตุ้มกันเนี่หลวงพ่อก็เข้ามาเนี่ยเดินเดินเข้ามาทางหลังพ่อท่านนอนแต่แขนขวาเนี่ยหันหน้าไปทางนี้เนี่ยหลวงพ่อก็มาทางนู้นเนะเข้ามากิเข้ามาก็กลาบพอกระลาบท่านก็ท่านก็ไม่เห็นแล้วท่านนอนหันหน้าไปทางทางทิศเหนือแล้วอหลวงพ่อก็มาก็เลยมานวดเส้นพอหลวงพ่อเนี่ยเคยนวดเส้นท่านเลยนวดเส้นท่านจะรู้จักว่าใครมานวดเนี่ย พอหลวงพ่อจับเข้าไปเท่านั้นเอท่านก็รู้ว่าเนี่ยทําอินมาแล้วคงจะว่าอย่างมันท่านก็แมบเหลียวเห็นเออมันทําอินมันทําอะไรมันทำบ้าบ้าบองบองอะไรเนี่ยฮ้อท่านโตนอนโตขี้อะไรเนี่ยเฮ้อ่านเลยมันหายจุ่งเรื่องภายนอกเนี่ยนะเราไม่ให้ยุ่งการก่อสร้างนะมันมาเห็นนะมันออกนั่นออกนี่ออกมัดมันเกาที่ไม่คันเนี่ยที่มันคันทําไมไม่เก่าฮ้อ มันจู ย, ยังไงกันเนี่ยมันทําไมเนอ่ยเราก็ไม่พูดถ้าลงตาดา่าอะไรอย่าไปหาเถียงเหมือนกันเลยอย่าไปแก้ตัวมีแต่ฟังลูกเดียวอคือลงตาด่าเนะี่มีฟังลูกเดียวเัมือนะเอนลงตาท่านเสร็จท่านก็ดา่าพ่อท่านด่าเหนื่อยจากนั้นก็เร า, เราก็นวดเส้นต่อเอกเหมือนกันเลย อพอนวดเสร็ต่อเสร็จแล้วกับท่านก็พิกนะเสร็จแล้วกับท่านมาลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาท่านก็เทศวนะันวันโอ้โหเทศวันนั้นนะเป็นน้ําเป็นเนื้อจริงๆเลยวันนั้นเถอะเทศออกมาจากใจจริงของหลวงตาจริงๆเลยวันนั้นนะได้ฟังเทศอย่างเพ็ร้อนเลยวันนะ้นแต่ก็ไม่ไม่พูดถึงนะไม่พูดถึงเรื่องนั้นอีกนะพูดอย่างอื่นพอเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เอ้ยออกจุดอยาทำํำว่ยบอกข่าวนี่ หลวงพ่อพูดในเชื่อยิ่งกว่าอะไรเลยทีนี่พอพได้สุดไปเอาไปปูทางครัวท า, ทางในครัวทางกุฏิปีสามหกสาม็นั่นน่ะเอาไปปูทางนูน้นได้กว่าแล้วก็แลยเอาไปปูทางน้นต่อไปนี่แหละหลวงพ่อนะี่ยศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะในสิ่งเหล่านี้นะถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้พวกเราฟังนะอพวกเราก็คงจะไม่รู้นะหลวงพ่ออาจจะต่อไปอาจจะความจําอาจจะเลือนลาง จำไม่ได้นะตลอดถึงนะ่ะเขื่อนนะอ่ะเมื่อสร้างหลวงตาสร้างกําแพงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลวงพ่อก็มั่นใจเอ้ยมาเลยวเ่เรื่องน้ำเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าฝังดินอย่างดีแข็งแรงเหล็กสี่หุนแปเส้นวนน่ะเสานะรนะับรองเลยเรื่องความแข็งแรงฝาผนังก็ใส่เหล็กสมห่างกันเพียง10เซนเท่านั้นเอง แน่นหนามัน่นคงกำแพงของหลวงพ่อเพราะในช่างคุณมีชัยคุณเยี่ยมชายดเรเยี่ยมชายชัดแก้วเป็นคนออกแบบในช่างรถไฟท่านออกแบบอย่างดีแข็งแรงมากเลยหลวงพ่อก็มั่นใจพอปีที่สองเท่านั้นน้ามันมาท่วมอย่างแรงคงจะเป็นปีสี่เท่านสี่สามหรือสี่สี่ น้ำท่วมมันไม่ใช่ท่วมธรมรมดามันลุบขึ้นมาเลยมันกระโดดข้ามกำแพงเลยมันเหมือนกำแพงเป็นเขื่อนเลยมันกระโดดลงไปข้ามกำแพงหรือมันขุดเลยมันขุดดินเลยโอ้ยมีเท่าไหร่กำแพงพังเป็นแถบเลยกันตายไปเห็นกำแพงพังตายเป็นลมเลยบัดปาวันตาดคุ้มกันกานระบาในคืนน่ะนคืนคืนวันนั้นน่ะ ไอประตูที่ทางเข้าวัดป่าบ้านตัดเปิดไม่ได้เลยน้ําน้ําครึ่งน้ำครึ่งไอครึ่งประตูนะเอยพอจะนั้นก็เปิดน้ำมันไหลออกทางทางประตูวัดท่านมานะดวงตาท่านมาแล้วก็ทางกุฏิท่านจุดใจกําแพงล้มอีกแล้ว嘛กําแพงบัานป่าก็ล้มเหมือนกันในในคืนวันที่มันตกที่วัดของเรานะ่าพอเนื้อสูตรกันท่านก็พอท่านนัจากนั้นท่านก็มาเป็นไงกําแพงโอ้ยพังไปเกือบสองรอยเมตรครับผม เขื่อนก็พังอีกต่างหากเขื่อนก็พังอเขื่อนฝายน้ําล้นะไปแล้วอะอืมเดี๋ยวเอาดูดูะจะซ่อมอยังไงทํำยังไงครับผมแต่ของเราก็กําลังจะให้เขาซ่อมอยู่เนี้น่ยลงตาจะมาจากนั้นกันมาทางกันะนวดเส้นนวดอะไรเสร็จแล้วท่างก็กลับไปปอบไปแล้วก็ซ่อมกําแพงนะไตัวนี้โอ้ยซ่อมซ่อมเก่ากับสร้างใหม่เนี่ยมันซ่อมเนี่มันยากกว่ามันเพราะเป็นหลุมใช่ไหมล่ะ จากนั้นพวกชาวบ้านเขาเลยเห็นใจเขาก็เลยทําเขาเลยถวายที่ป่าช้าเพื่อให้หนีจากหนีจากกันนั่นหนีจากที่มันเข้ามาเขื่อนน่ะหลวงพ่อก็เลยล้อมไปทางป่าช้านะเพราะว่าถึงยังไงเราก็ไม่ได้ออกป่าช้าอยู่แลเป็นของชาวบ้านอยู่แล้วเราก็เปิดให้เขาใช้ <c oughs> แล้วก็เป็นกันที่ดินของป่าช้าอีกต่างหากนะ แต่ตู้ขาเนี่ยแหะมามอบให้กับผู้เฒ่าผู้แกนะหลวงพ่อไม่ใช่เอาทีเดียวนะอ่ผู้เฒ่าผู้แก่ยกให้ตรงพ่อก็ารับแล้วก็ทำเพื่อชาวบ้านนั่นแนหะเนี่ยแหละอันนี้ก็คือจากนั้นมาเครื่องเขื่อนเลยเนี่ยท่านก็ถามว่าเป็นไงเขื่อนโอ้เขื่อนคงทําไม่ได้กับผมมันกินเงินเยอะเหลือเกินที่เขาจะทําทําดูมัน ไม่ามกว่าสิบล้านเขาบอกงั้นกผมก็เลยทำไม่ได้กรผมมีแต่ซ่อมกำแพงไปให้เขาคิดดูนะเท่าไหร่แล้วกยมาพูดเรากรผมจากนั้นทางกบกเราก็ไปหาผู้ว่าอำนาจประกาศเนี่ยนะเอากรมชนประทานมาออกแบบเพื่อจะสร้างเขื่อนเขาก็มาวัดมาอะไรมาเสร็จเรียบร้อยออกแบบมา เขาบอกว่าใช้งบประมาณสิบห้าล้านโอ้หเกินนอันเดียวส5บห้าล้านเราก็เข้าไปกราบหลวงตาขอการพ่อแม่กูจานท์ชนประธานเขาออกแบบมาแล้วคงจะแพงเกินไปมั้งครับผมเท่าไหร่หรอสิบห้าล้านครับผมเอาเอาเลยทำเลยครับผมทีนี้เขาก็จะมาเซ็นสัญญากับหลวงพ่อแหละท้ เนี่ยพอจะมาเซ็นเนี่ยมึนเปิดเดือนเมษาเขาเหม า, าไม่ทำหรอกเออพอทําเข้าไปแล้วก็พอเซ็นสัญญาจบเราพฤทธสภาจะทําอะไรได้ฝนมาแล้วฝนแรงอีกต่างหากในทิณเนี่ยไม่ทําแล้ ว, วออกพรรษาซะก่อนอถึงโลงตาจะอนุมัติก็เถอะแต่นี้จากนั้นมาตลวงพ่อก็ไม่ทำํำพอไม่ทําเสร็จแล้วก็มีนายช่างอิตาเลียนไทย มาขามาขึ้นมาภูก้อนเนี่ยเขาจะมาดูเจดีที่เจดีมันมีปัญหานะ่ยเขาก็เลยมาแวะที่นีงพ่อไอ้โอ้โด็อกเตอร์ไปดูดูเขื่อนให้อัตมาโดยเทินว่ะจะทํำยังไงจะดีด็อกเตอร์อิตาเลียนอิตาเลียนไทยเขาเลยมาดูมาดูเอ๊ท่านผมว่าไม่น่าจะสร้างใหม่นะมันกินเงินผมผมซ่อมได้นะน่าจะซ่อมเอาตั ว, ต, วตัวเก่าเนะี่ยเฮะอย่างนั้นเลยท่านด็อกเตอร์ครับเดี๋ยวเ ด, ดผมจะ ลงไปหาหมู่ขึ้นมาดูอีกผมก็ยังไม่ไม่เชื่อความคิดของผมคนเดียวพอได้สองสามวันเนื้อเอาหมู่ขึ้นมาเดนมาก็มาดูอีกมานั่งคนละหมุมกันมีแต่ด็อกเตอร์ทั้งนั้นสามสี่คนเขาก็เลยวางแผนซ่อมได้ครับ อ, อถ้ามันพังมันพังไปแล้วมันหักไปแล้วนี่มันมยังไม่หักเนี่ย เ, เพียงแต่ว่าน้ํามันรอดตเองไม่ใช่น้ําล้นมาเป็นน้ํารอดนเยทําได้ จากนั้นก็จะงบเธอได้ละ่ะท่านด็อกเตอร์ท่านบอกว่าเดี๋ยวไม่มากคิดว่าไม่มากไม่น่าจะเกินห้าล้านแต่หลวงตาท่านบอกว่าจะเซ็นสัญญาแล้วเขาบอกวนะ่าท่านก็เอาเงินมาให้หลวงพ่อเดินนะอเอามาให้สิบล้านหน่อท่านโอนมาให้เลยอเอาไปเอาไปทําำนะสิบล้านก่อนนะอีกห้าล้านค่อยว่าทีหลังท่านก็ว่าครับผม เราก็เตรียมพร้อมเลยทนะ้านี้พอ ม, มาสร้างจริงๆิงซ่อมจริงๆรท่นนโอ้โหมันทำดีจริงๆอิตาเลียนไทยมาทำผลที่สุดใช้เงินประมาณสามล้านกว่ารวมไปรวมมากบประมาณสักสี่ล้านไม่น่าจะถึงหนะ้าตั้งให้รางวัลเขาได้อะไรเขาด้วยนะ เ, เสร็จแล้วของเงินยังเหลืออสี่หนะ้าหกเจ็น่ะ ประมาณชักห้าห้าห้าล้านกว่าเงินเหลืออยู่ประมาณชักสามสี่ห้าล้านนะหลวงพ่อกับตัวเลขตรงพ่อชัดเจนนะนะจำไหมนะลงคอเข้าไปกับข้อกาศพระแม่กุจาร์เขื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมซ่อมดีดีไหมดีครับผมรับรองรับรองเพราะว่าเป็นอิทบริษัทมาทําแต่เงินเหลืออยู่ประมาณเจ็ดล้านครับผมก็ผมจะส่งคืน อ้ย hey, ไม่ต้องส่องหรอกเอาเอาไว้ในวัดซะนะนั่นน่ะเห็นไหมลงตาถึงขนาดนั้นเพราะนั้นไม่ให้เร า, เาช่วยลงตาห้าสิบล้านเนี่ยทํำยังไงใช่ไหมท่านไม่เอาคืนเลยเอาไ ป, ไปใช้แต่จะพูดไปพูดมานะ่ะถ้าเขาพูดไปเดี๋ยวเขารู้โดยเดี๋ยวเขาจะมาขอท่านนะ <c oughs> ท่านกําชับอีกต่างหากว่างั้นลงพกก่อกระคาบผมเลยเนี่ยแต่ผู้รู้จริงๆก็กคือพระที่อุปถาท่านใกล้ชิดท่านทไมพอมาเงิน เงินขานั้นพอมาพิมพ์หนังสือในช่วงโครงการช่วยชาติเนี่ยนะอที่หาทองคําเข้าคลังหลวงก็จะพิมพ์หนังสือเขาก็เงินขาดเลยเนีเขาก็มาบอกว่าท่านท่านอาจารย์เงินที่เจ็ล้านขอมายืมมาสักสองล้านมาพิมพ์หนังสือท่านอาจารย์จะพออนุญาตได้ไหมเอยหลวงตาท่านบอกว่าจะไปพูดให้ใครฟังนะ ถ้าว่าพวกท่านจะเอาเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปขออนุญาตท่านก่อนเอาไหม่ะโอ้ยไม่ไม่ไม่ไม่ม่เอาไม่เอานั่นแหละหลวงพ่อก็ได้ปัจจัยมาเนี่ยหลวงพ่อก็ซื้อทองนะทีนี้ต่อมาหลวงพ่อก็ซื้อทองน่ะอทองถวายหลวงตาเนี่ยพอทองคำเนี่ยแล้วก็เนี่ยได้มาแล้วก็ซื้อทองคําซื้อทองคําถวายหลวงตานี่แหละความเป็นมาเนี่ยน้ําใจของหลวงตาเนี่ยลดหลามนะค่ะนัตตาญาติโยมลูกหลานนะ เพราะนั้นพวกเราได้รับความสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้กันเนี่ยโดยความเมตตาขององค์หลวงตาเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติภาวนานะเป็นปฏิบัติบูชาพระคุณของหลวงตานะจะเป็นบุญเป็นกุศลวัดคองรานเป็นวัดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาให้ทุนมาท่านก็บอกในเอ็ีสาท่านก็บอกที่ไหน ออวัดทำอินเป็นวัดที่เหมาะสมแก่การภาวนานะเป็นสถานที่ปฏิบัติเหมาะที่มันกว้างหลีกเล่นได้ได้มีที่หลีกเล่นได้นี่แหละหลวงตาท่านเค ย, เคยบอกในเอ็มพี่สามก็มีอยู่หลายๆแผ่นที่ท่านพูดถึงนะออวันนี้พูดเสียยืดยาวนะขนะ้าราชการทายาโยมลูกหลานถ้าวัาไม่พูดให้ฟังมันก็ยังไม่จบยังมีภาคต่อไปอีกนะ เดี๋ยวจะพยายามพูดให้ให้ให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นแนวการเรียนรู้เพื่ อ, อการศึกษานะผู้ที่ใฝ่ในการศึกษานะก็จะได้รู้ว่าความเป็นมาของวัดป่านาคำน้อย เ, ยเป็นมาอย่างไรหลวงพ่อพอพูอพ อ, พ อ, พ อ, พอที่จะพูดได้อยู่ก็พูดพู ด, พดแต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยหงพ่อก็คงจะหยุดพูดเหมือนกับครูบาอาจารย์องค์อื่นๆ น, นะลูกหลานเลยต่อเ น, นี่ไปรับพรในท่นทีนะ